โปรดอย่ากังวลเลยครับนายบอกผู้นั้นว่าจะช่วยยิงเสือให้คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นแต่จะพยายามยิงให้ได้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็จะขอแยกไปก่อนเพราะมีธุระร้อนอยู่ช้าไม่ได้โล่งอกไปทีถ้าเราไม่ติดธุระเราก็ยินดีที่จะอยู่ช่วยเขาได้มากกว่านี้ดาลินพึมพำทั้งหมดถูกเชิญให้ขึ้นไปพักอยู่บนเรือนของโต๊ะถะซึ่งกว้างใหญ่กว่าหลังอื่นๆการรับรองต้อนรับได้ถูกกระทําขึ้นอย่างกุดีกุจอและเต็มที่ ตามสภาพเท่าที่พวกกระเลียงจะทําได้สําหรับผู้ที่เคารพนับถือเล่าป่าหลายหายถูกงัดขึ้นมาเลี้ยงดูและปบำบวงต่อเจ้าป่าเจ้าเขาชายชะกันทุกคนในหมู่บ้านมาชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่ลานบ้านของหัวหน้าอากาศซึ่งเย็นชําอยู่ตลอดเวลาแล้วนับตั้งแต่เหยียบย่างขึ้นมาบนไหลเขาอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบัดนี้พอมืดสนิทมันก็หนาวเยือกในทันที แล้พินแย่ไปนั่งหาหรือสอบถามอะไรโต้ถาพร้อมกับเกรเลียงอีกสองสามคนที่รายร้อมสอบถามอะไรโต้ถะพร้อมกับเกรเลียงอีกสองสามคนปล่อยให้คณะนายจ้างนอนเอกเคนกพักอยู่บนพื้นเรือนกว้างตอนหนึ่งซึ่งถูกจัดไว้ให้เป็นที่นอนในคืนนี้ขณะนั้นทุกคนรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตะวันรับเปลี่ยมเขาสิ้นแสงลงทั้งหมดที่กำลังสนทนาแย่กลุ่มกันอยู่เบาๆก็หยุดชะ ง, งักลงราวกับนัดกันไว้ เพราะเสียงร้องของเสือดังก้องแหวความสงัดของยามข้ามมาได้ยินอย่างถนัดมาจากเชิงเขาด้านเหนือครั้นแล้วก็มีเสียงอีกตัวหนึ่งคํารนตอบมาจากปลายห้วยด้านตรงข้ามเสียงของมันกระหึ่มฟังเสียงเย็นเยียบไปถึงไขสันหลังทุกคนมองดูตากันเองอยู่ไปมาพวกกระเหลี่ยงที่ช่วยกันถลกหนังเสือที่ลานบ้านเบื้องล่างพากันหยุดทํางานรวมกลุ่มกันเข้ามาล้อมไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้ชดช่วง เด็กๆในเดือนพวาร้องจ้าตัวสั่นอยู่ในอ้อมอกของนางแม่ซึ่งก็ขวัญเสียไม่น้อยกว่าลูกน้อยอิทธิพลของไอ้ลายครอบครองอยู่เนื้อขวัญของกระเลียงห้วยแม่เลงทั้งหลายทั่วหน้าเสียงวัวในคอกหลังบ้านของโต๊ะถ้าซึ่งมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวร้องมูมอประสานกันอึงคันึงและมีเสียงคอกลั่นโครมครามเหมือนกับว่าพวกมันจะพยายามแหกคอกเตลดเิดเปิดเปิงออกไปเพราะอำนาจความหวาดกลัวพวกหมาที่เหา่าหอนอยู่ในกะนี้ก็เงียบกริบ ซุกตัวขดตัวสั่นอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มคนไม่ยอมออกห่างคลางงีดงาดอยู่ในราคอโต้ถาส่งเสียงสะบดลั่นออกมาอย่างเดือดดาลหัวเสียไล่ลูกชายหนุ่มชะการของแกสองคนที่กําลังนั่งคุยอยู่กับพรานใหญ่ให้ลงไปดูบัวในคอกลงเล็งเอะอะไปหมดเพราะเจ้าสองคนนั่งอิดอิเอื่อนเอืไม่ค่อยจะยอมลุกเชื่อถานั่งเหยียดขาตะแคงหูคอยจับเสียงชายยานนอนแผ่เอาหัวหนุนย่ามในขณะนี้ค่อยๆพงก์กายลุกขึ้นนั่ง ส่วนดาลินเอื้อมไปคว้าจุด470ที่พิงอยู่ข้างเสาเรือนใกล้ๆขึ้นมาหักหางเหยี่ยวถอดกระสุนสองนัดที่บรรจุไว้แล้วออกมาพิจารณาดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่ามันจะไม่มีการด้านเพราะจมน้ําอยู่หลายชั่วโมงขณะที่แคมป์ถูกน้ําป่าสัตว์ถ้ามันจะเอาเรื่องจริงๆแฮนี่มันดงเสือชดัชดๆเห็นจะอยู่กันเป็นฝูงทีเดียวชายยันพึมพำออกมาเบาๆต้องเก็บมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เอาให้เข็ดเลยเชษฐาบอกเสียงต่ำๆกรอกบันดีเข้าปากแล้วส่งไปให้เพื่อนระหว่างที่ชายยานจ่อขวดกับริมฝีผากและผินก็เดินฝากลั่นตรงเข้ามาพร้อมกับโต๊ะถะไฟชายของเราใช้การได้ทุกกระบอกหรือเปล่าครับเขาถามเรียบๆ เ, เชษฐาก้มศีรษะเรียบร้อยดีทุกกระบอกแล้วแบตเตอรี่อะไรเรามีติดตัวกันมาด้วยไหมครับ ผมหยิบใส่มาในเครื่องหลังของแง่ทรายสองโหลกระดาษกล่องเปียกยุย่ยเพราะถูกน้ำหมดแล้วแต่ฐานคงจะใช้การได้ดีชัยันเป็นคนบอกแล้วก็หันไปรื้อค้นย่ามหลังของแง่ทรา ย, ายที่วางสุมกองรวมกันอยู่หยิบฐานไฟฉายออกมาทำไมหรือกรุณาตรวจสอบไฟฉายแน่ใจอีกครั้งครับแล้วขอเบิกฐานอะไรให้ผมสักโหลจะแจกให้กับพวกกะเลียงที่จะไปกับเราด้วย พวกนี้มีแต่กระบอกไฟฉายขนาดสองสัมท่อนแต่ไม่มีฐานไฟฉายหลายๆกระบอกช่วยกันได้ดีกว่ากระบอกเดียวเชษฐาดารินเกิดและแง่ทรายช่วยกันตรวจสอบไฟฉายขนาดแปดท่อนที่มีเอามาประจํามือครบคนทุกอันเพื่อความแน่ใจอีกครั้งมีการเปลี่ยนฐานบางก้อนเมื่อเห็นว่าลําแสงไฟจะอ่อนลงส่วนชายยันโกยฐานอะไรไปให้พรานใหญ่ซึ่งกดผินส่งต่อไปให้โต๊ะถานเพื่อแจกจ่ายให้แก่คนของแก่ อันอยู่ในชุดที่จะติดตามไปด้วยระหว่างที่ต่างกําลังชุนมูลกันอยู่เสียงพยักร้ายก็แววมาตามลมอีกครั้งมันดังอ้าวลากเสียงยาวแล้วลงท้ายหืมหืมกล้องสะเทือนต่อไปก็เป็นเสียงฮอกฮอกเป็นจังหวะที่กระหึ่มอยู่ในลาคอเหมือนจะเรียกหาคู่หมู่บ้านห้วยแม่เริงและสับปะสันเนียงพายามราตีของป่ารอบด้านถูกสะกดให้นิ่งอยู่กับที่อีกครั้งนอกจากวัวที่ดุนตูมตามอยู่ในคอก และเสียงตะโกนสาบแช่งของลูกชายโตเถะสองคนซึ่งขณะนี้กำลังช่วยกันตอกไม้กั้นข้อให้แน่นหนายิ่งขึ้นกันไม่ให้ฝูงวัวพังออกมาได้เสียงโตเถาะบ่นอะไรกับพระพินพึมพำใบหน้าเครียดครั้โตเถาะว่ายังไงเชษฐาถามพรานใหญ่เบาๆแกบอกว่าคนของแกคนหนึ่งกระทำความผิดอย่างร้ายแรงเป็นการผิดป่าขึ้นเลยทาให้ทุกคนในหมู่บ้านพลอยเดือดร้อนกันไปหมด หมายความว่ายังไงที่ว่าผิดป่านะ่ะหญิงสาวงงถามมาโดยเร็วพานใหญ่หันไปสอบซักอะไรหัวหน้าบ้านอยู่อีกครู่หนึ่งก็มองมายัางคณะนายจ้างของเขาถอดบุหรี่ไปตองแห้งที่ขอจากพวกกรียงออกจากฟันหน้าที่เน้นไว้พ่นควันอันฉุนกึกลงต่ําคําว่าผิดป่าก็คือการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบด้วยธรรมนองครองธรรมตามประเพณีที่พวกเขานับถือกันครับหรือจะพูดให้ตรงก็คือผิดศีลธรรมของพวกเขานั่นแหละ พวกนี้ก็ถือกันอย่างเคร่งครัดในเรื่องอำนาจอาถรรพ์ของป่าเชื่อในสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขาและเชื่อว่าอิทธิพลที่เหนือธรรมชาติมีอยู่จริงถ้าใครทําอะไรผิดลงไปอำนาจลึกลับของป่าก็จะลงโทษและขณะนี้เขาเชื่อว่าพวกเขากําลังถูกลงโทษกันอยู่แล้วที่ว่าพวกเขาคนหนึ่งผิดป่านั่นนะไปผิดเข้ายัางไงไหนลองเล่าให้ฟังบ้างสิชา ย, ยันถามมาอย่างสนใจ คือนี้ครับโตถฐานเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่ไอแวงจะยกโครงเข้าทําลายล้างคนและไล่นาที่ผาเยิงของเขาลูกบ้านของเขาคนหนึ่งเป็นหญิงสาวสวยอายุเพียงสิปปีแต่งงานแล้วกับผู้ชายหมู่บ้านเดียวกันคราวหนึ่งผัวออกไปตัดไม้ในป่าสามคืนไม่ได้กลับบ้านหล่อนแอบไปคบชู้ทีเ่เป็นคนต่างหมู่บ้านไปได้เสียกันกลางป่าผลปรากฏว่าชายผู้เป็นผัวขณะที่ตัดไม้อยู่ในป่า ถูกหมีแม่ลูกอ่อนกัดตายและต่อมาอีกสองวันไอ้แหวงก็ยกโขลงลงเหยียบหมู่บ้านตายกันแหลกลานไปอีกหลายศพพวกเขาจึงต้องย้ายจากผาเยิงมาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ที่ห้วยแม่เลิงนี่โดยเห็นว่าชัยภูมิเหมาะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ดีแต่พอย้ายมาถึงวันแรกยังไม่ทันจะสร้างที่พักเสือก็เข้ามาฆ่าบกคนไปต่อหน้าต่อตากั้งวันแสกแสคนที่ถูกฆ่าไป ก็คือหญิงสาวที่คบชู้และเป็นม่ายพ่อผัวตายคนนั้นพวกเขาตามไปพบศพของหล่อนถูกกัดถันทั้งสองข้างขาดหายไปร่างกายส่วนอื่นไม่มีรอยเสือกินเลยนอกจากเต้าถันทั้งสองข้างเท่านั้นและต่อจากนั้นมาพวกเสือก็ยกขยงกันมาเป็นฝูงรบกวนวัวควายสัตว์เลี้ยงเขาไม่เว้นแต่ละคืนอย่างที่บอกแล้วดาลินอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งในลาคอขนลุกสู้ทั้งกาย ส่วนชายยานผิวปากหวือออกมาดังๆทุกคนมองตาเงียบกันไปชั่วอึดใจหนึ่งบอกโตถาไปว่าในที่สุดเชษฐถาเอ่ยด้วยเสียงเรียบเรียบแต่แววตาสีเหล็กคู่นั้นเครงเครียดจริงจังพวกเราจะแก้ความผิดนั้นให้เองผู้หญิงคนนั้นก็ถูกเจ้าป่าลงโทษไปแล้วและเราก็บวงสวงบอกกับเจ้าป่าแล้วเจ้าป่ารับคาเรา และต้อนรับให้พวกเราทามาหากินกันอยู่ที่นี่ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องโยกย้ายไปที่ไหนอีกแล้วและผพินหันไปส่งภาษาคณะนายจ้างสังเกตเห็นหัวหน้ากะเกลียงโคลงหัวอยู่ไปมาอย่างท้อแท้ในตาขุนแห้งของแกมีแววทุกข์หนักเขาบอกว่าฝรั่งสามคนกับพลานชาวกรุงที่มาตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านผาเยิงของเขาก่อนหน้าที่ไอ้แหวงจะอารวาสก็ได้รับปากอย่างนี้แหละครับ พรานใหญ่ถ่ายทอดความรู้สึกของหัวหน้าบ้านให้พวกในจ้างของเขาทราบแต่แล้ววันเดียวกันกับที่พวกเขาถูกโขลงช้างยกพลบุกฝรั่งนักสำรวจพวกนั้นก็ถูกเหยียบตายหมดไม่เหลือสักคนเราไม่ใช่ฝรั่งพวกนั้นชายยันช่วยพูดมาอีกคนด้วยเสียงหนักแน่นหันไปทางโต๊ ะ, ะพยายามจะให้กระเรี่ยงเท่าเข้าใจและที่สำคัญที่สุดเรามีพรานใหญ่ระพิน ที่โต้ถาและทุกคนเชื่อถือในฝีมือของเขาดีอยู่แลวร่วมด้วยเราไม่เกลียดในพวกของโต้ถาต้องออกไปเปเชิญกับเสือในคืนนี้กับพร้อมกับเราแต่ถ้าใครสมัครใจจะไปด้วยเราก็จะไม่ห้ามภายหลังที่พูดกับผัวหน้าบ้านอีกสองสาคำระพินบอกว่าโต้ถายยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ครับทางเขามีมือที่จะอาสาไปกับเราด้วยหกคนโดยจะช่วยนาทางและชี้แหล่งให้ถ้างั้นก็ยิ่งดี ช่ยบอกเขาเถิดว่าไม่ต้องกลัวหรอกเรารับรองที่จะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเขาจะได้เห็นเองและผินคว้าปืนกับไฟฉายลุกขึ้นผมจะลองออกไปสำรวจรอยใกล้ๆนี่ดู ก, ก่อนเห็นผู้นี้บอกว่าตอนที่โต๊ะถาพาพวกคุณชายออกที่นี่ไปเมื่อเช้านี้ตกบ่ายมันตะปบแม่วัวที่หากินอยู่ในทุ่งหญ้ากใกล้ๆลากก็ไปที่ปลายห้วยหลังบ้านนี่พวกเขาช่วยกันโหยิงปืนไล่มันเลยทิ้งซากไว้ตรงนั้นเอง พวกเขาก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายสรา้างวัวตนนั้นคงทิ้งอยู่ที่เดิมผมจะไปดูที่นั่นประเดี๋ยวจะกลับมาทางคุณชายเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก็แล้วกันครับเชษฐาลืมตาโผงร้องออกมาวันนี้ก็ล่อวัวเข้าให้อีกตัวหรือครับโต๊ถาเองก็เพิ่งรู้ตอนที่กลับมาถึงพร้อมเหล่านี้แหละพวกที่อยู่บ้านรายงานตกลงรีบไปรีบมาเร็วๆนะเราจะรอพรานใหญ่หันไปพยักหน้ากับเกิด แล้วสะกิดแขนหัวหน้ากะเหลียงสามคนพา ก, กันเดินลงจากเกลือนไปทิ้งให้คณะนายจ้างมีเวลาได้เตรียมตัวกันอยู่ตามลำพังส่วนแง่ทรา ย, ายไปช่วยลูกชายของโตะถ่าเสริมกั้นข้อวัวดาลินลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองข้างล่างได้ยินเสียงดําพินพูดอะไรพึมพำอยู่กับกะเหลียงเท่าและลําแสงไฟสองวอบแวบไปทางท้ายบ้านครู่หนึ่งก็ับหายไปในเงาทึบของแนวป่าฟ้าคืนนี้ปโปรง่ง ระพร่างพราวและยิปยับไปด้วยดาวทองลมบนยอดเขาโชยริ้วหนาวเยือกไปทุกขุมขนหญิงสาวสะดุ้งตื่นจากพวางเมื่อเสียงฝ้ากลั่นใกล้ตัวเหลียวกลับมาก็พบพี่ชายยืนอยู่ใกล้ๆ ก, กำลังจ้องนิ่งมาน้อยสบักสบอมมามากแล้วเสียงเชิฐถากล่าวขึ้นแผวเบาเอื้อมมือมารูปที่ศีรษะของน้องสาวอย่างรักสนิทปราณีพี่คิดว่าคืนนี้น้อยนอนพักเสียให้สบายบนเรือนนี้ดีกว่านะ อย่าออกไปสมบุกสมบันเสี่ยงอันตรายกับพวกเราเลยดาลินยิ้มอ่อนหวานคว้ามือพี่ชายไว้เอามาประคองแนบแก้มทอดสายตามองตอบได้แววเคารพรักพวกเราสะบักสะบอมกันหมดทุกคนนั่นแหละค่ะไม่มีใครสบายไปกว่าใครเลยอย่าคิดว่าน้องของพี่ใหญ่คนนี้เป็นผู้หญิงสิคะเราสัญญากันก่อนหน้าออกเดินทางแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรทุกอย่างเหมือนกันลําพังพวกเรานะี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะรู้กใจกันดีอยู่แล้ว แต่น้อยต้องการให้พวกกะเหลียงห้วยแมเริงทั้งหลายเห็นชัดออกไปว่าคณะของเราแม้จะมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นผู้หญิงแต่เฉพาะรูปร่างลักษณะเท่านั้นพวกนั้นพากันหัวเราะเมื่เห็นน้อยถือไรเฟิลและแอ บ, บเข้ามากระซิบบอกไงทสายว่าน้อยควรจะถือกระจกส่องโฉมของตัวเองมากกว่าที่จะแบกปืนให้หนักน้อยไม่โกรธพวกเขาหรอกค่ะที่เขาพากันสงสัยเช่นนั้นแต่ก็ต้องพิสูจน์ให้พวกนี้เห็นชัดออกไปว่า เมื่อเขานับถือในน้ำใจและฝีมือของพี่ใหญ่ชายยันหรือพรานนพินเช่นไรเขาก็ควรต้องนับถือน้อยเช่นนั้นด้วยเชิดถาถอนใจยาวแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่มีทางยับยั้งความตั้งใจของน้องสาวคนสวยผู้นี้ได้และอดประดาาใจไม่ได้อยู่ตลอดเวลาว่าเหตุใดดาลินถึงถือกำเนิดมาเป็นเพศหญิงหล่อนเป็นผู้ชายเสียได้เขาจะเป็นสุขใจมากพี่บอกตรงๆไม่อยากจะให้น้อยเสี่ยงโดยไม่จเป็นเลย หญิงสาวสั่นศีสะน้อยๆอคงยิ้มอยู่เช่นนั้นจำพานใหญ่พูดได้ไหมคะเขาบอกกับเราว่ามันไม่มีอะไรเสี่ยงเกินไปกว่าที่เราเคยเสี่ยงกันมาแล้วเลยสมมุติว่าน้อยมีสภาพเป็นนักเรียนของวิชาป่าทุกชนิดเดี๋ยวนี้น้อยก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรแล้วคงไม่ใช่ชั้นปถมหรือชั้นเตรียมอนุบาลเหมือนอย่างที่เริ่มออกเดินทางมาครั้งแรกพี่ใหญ่โปรดอย่ากังวลไปเลยคะ่ะอีกอย่างหนึ่ง พี่ใหญ่ควรจะให้น้อยได้ฝึกขัดเคยชินกับสภาพเช่นนี้ไว้มากๆนะคะต่อไปข้างหน้าเราจะเผชิญกับความเสี่ยงขนาดไหนก็ยังไม่ทราบได้และในยามนั้นน้อยจะได้ไม่เป็นภาระหนักใจของใครทั้งสิ้นเชษฐาจำนวนต่อเหตุผลของน้องสาวงานไปชายยันในขณะนี้นอนหลับเอาแรงกลนคลอกอยู่กับกองสัมภระนายพันตรีหนุ่มนอกราชการเป็นคนง่ายเสมอในทุกสถานการณ์และนั่นคือคุณลักษณะของนักผจญไปเยี่ยมยอด เชิดฐานำเลืองไปทางยอดสหายผู้นั่งหลับแล้วหันกลับมามองนิ่งๆประสานดวงตาอันสุกใสเป็นประกายของน้องสาวอีกครั้งแผ่วเสียงลงเป็นกระซิบน้อยขาบอกพี่ตามตรงพลานนำทางของเราเป็นอย่างไรในขณะที่น้อยหลงป่าอยู่กับเขาเพียงสองต่อสองเป็นเวลาเกือบสองวันเต็มดารินรเผชิญสายตากับพี่ชายอย่างเปิดเผยบริสุทธิ์ใจย้อนถามมาเรียบเรียบว่า คำพูดของน้อยจะมีเกียรติพอไหมคะพี่จะเชื่อทุกอย่างที่น้อยบอกน้องสาวยกมือปัดเส้นผมที่ปิวลงมาเขี่ยแก้มด้วยลมค่าบอกน้อยก่อนพี่ใหญ่กับชายยันคิดอย่างไรแล้วคะพี่คิดว่าเขาควรจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ในทุกสภาวะดารินวราลิสูดลมหายใจลึกถ้าเช่นนั้นความคิดของพี่ใหญ่ก็ถูกต้องแล้วคะ่ะ ถูกเสียยิ่งกว่าที่น้อยเคยคิดอีกเราได้พานนำทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วน่าขอบคุณคุณอําพลที่ช่วยจัดหาและให้คำรับรองแก่เราแต่ว่าเป็นมิตรแท้ในยามยากเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วเกินกว่าที่จะเชื่อได้ในสายตาผาดผ่า ด, าดถ้าไม่เพราะหลงป่าน้อยจะไม่มีวันรู้จักคนคนนี้ได้ดีเช่นนี้เลยเราจ้างคนนาทางไม่ผิดค่าพิหญ่หล่อนเอย่ยแผ่วเบาแต่แช่มช้าชัดเจน เชิดขาถอนใจยาวไม่เอ่ยเช่นไรอีกน้องสาวเป็นฝ่ายถามมาบ้างแง่ท า, ายนะคะเท่าที่พี่ใหญ่สังเกตเป็นคนยังไงเท่าที่แล้วมาก็ซื่อสัตย์ดีถ้าไม่ได้แง่ทา ย, ายพี่กับชา ย, ยันก็จะแย่เหมือนกันตอนหลังแยกจากกันแต่หมอนี่เป็นมนุษย์ลึกลับดูยากกว่ารพินเสียอีกขาดเสียงของเชิฐาไหลฟึ่นนัดหนึ่งก็ระเบิดขึ้นสถานสะเทือนท่ามกลางความเงียบ พร้อมกับเสียงแผดคำรามโหกลั่นได้ยินอย่างถนัดแววมาจากปลายห้วยท้ายหมู่บ้านชั่วพริบตาเดียวมันก็กึกก้องขึ้นอีกนัดกังวานไปทั้งหุบเขาชัยยันสะดุ้งพรวดขึ้นยืนหน้าตาตื่นร้องลั่นออกมาอะไรกันยอดผ่านของเราเอาข้าวให้แล้วสองนัดซ้อนเลยถ้าจะได้ตัวแน่หัวหน้าคณะเดินทางพูดเชงโงหน้าต่างกราดไฟฉายออกไปยังแนวป่าซึ่งมองไม่เห็นอะไรนอกจากสมทุมแมกไม้ ดาลินใจเต้นแรงเข้ามาชะโงอกอยู่ใกล้ๆกับพี่ชายชายยันก็เพ็นเดือนไหวเข้ามาสมทบอะไรกันหมอ น, นั่นลงจากเรือนไปหลัดหลัดประเดี๋ยวนี้เองนี่นาเธอหลับไป15นาทีแล้วชายยันดาลินบอกใครบอกฉันยังไม่ได้หลับสักหน่อยเคริม้มเคลิมไปเท่านั้นชายยันเถียงอึดจะใหญ่ต่อมาร่างของรพินโตเถะและเกิดก็ปรากฏโผล่ออกมาจากแนวป่าด้านใต้ ในแสงไฟฉายของเชษ่ถาที่ส่องปราดค้นหาทั้งสามเดินดุ่มๆตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงพวกในหมู่บ้านตะโกนถามโบกเวกและโตถาะก็ตะโกนตอบมาด้วยน้ำเสียงแสดงความดีใจตื่นเต้นแล้วทั้งสมก็ก้าวขึ้นมาบนเรือนสีหน้าของโตถาะเห็นชัดว่าแช่มชื่นขึ้นแล้วเห็นจุดบุหรีไปตองแห้งที่ทัดหูไว้รายงานกับคณะนายจ้างเรียบเียบว่ากำลังลุมกินซาอยู่พอดีครับสมตัวไม่ใหญ่นัก ถ้าเกิดไม่ทำไปฉายหลุดมือมีหวังอยู่หมดทั้งสามตัวสองนัดมึกตะ ก, กี้แปลว่าสองตัวเหรอเชษฐากับชยยัยานถามเรียวปือ๊ออกมาเป็นเสียงเดียวกันลืมตากว้างครับตัวแรกหมอบคาอยู่กับซ่ากลัวตัวที่สองกระโจนสวนเกิดกับโต้ถะพงะหลังชนกันทำไปฉายหลุดตกมือไปเสียก่อนดีว่าตัวที่สามมันเพ่นไปเสียอีกทางไม่งั้นคงเจ็บกันบ้าง มันเป็นการประเดิมชัยที่งดงามอะไรอย่างนี้ชายยันร้องร่นตาเป็นประกายเชิดาสูดลมหายใจด้วยความปลอดโปร่งยิ้มออกมาอย่างสมหวังในขณะที่ดารินขมวดคิ้วจ้องมองดูรพินภัยวันเหมือนจะมองดูสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ติดอยู่ในใจว่าพระเจ้าให้คนคนนี้มาเกิดเพื่อสำหรับเป็นมือพิฆาสัตว์โดยเฉพาะกมังหนอหล่อนประจักรแจ้งกับสายตามานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ไวายที่จะคังขาอยู่นั่นเอง ทำไมมือของเขาจึงได้สร้างปานาติบาทขึ้นนักถ้ากระสุนลงได้ลั่นออกไปโดยมือนี้เป็นอันเชื่อได้ทุกครั้งผมนึกว่าคุณยิงซ้ำเสียอีกนึกไปไม่ถึงว่าเล่นเสียนัดละตัวผมก็ไม่เคยเห็นเสือป่าไหนกำแหงหันเหมือนป่านี้มาก่อนไม่ตื่นแสงไฟไม่ค่อยจะสะเทือนกับเสียงปืนความจริงผมเดินไปเหนือลมมันด้ซ้ำพอเข้าใกล้แทนที่จะพละหนีกับคู่คารามเสียอีก คืนนี้สงสัยว่าจะได้ยิงกันแบบยิงแมวบ้านเลยครับพวกนี้เอาอปืนแก๊ปยิงไล่มันเสียจนมันชินแล้วไม่ค่อยจะกลัวนึกว่าเสียงไรเฟิลก็คงจะเหมือนเหมือนกับปืนแก๊ปนั่นแหละพวกคุณพร้อมแล้วหรือยังครับเราจะออกเดินส่องกันเดี๋ยวนี้แหละการแบ่งสายได้ถูกกาหนดขึ้นในทันทีนั้นชายยานหันไปพยักหน้าบอกให้เกิดไปกับเขาให้เชียตาไปกับแงซ า, ายแล้วสั่งให้รัพินทําหน้าที่คุ้มกันดาลินตามเดิม แต่หญิงสาวค้านขึ้นเสียก่อนอ้าวก็ไหนเธอบอกว่าจะเอาพรานใหญ่ไปกับเธ อ, อยังไงล่ะเพื่อนชายขมวดคิ้วน้ำเสียงเคร่งขรึมจริงจังขึ้นอย่าบ้าน้อยนี่ไม่ใช่เวลาพูดเล่นแล้วใครบอกว่าฉันพูดเล่นพูดจริงๆนี่แหละฉันไม่ต้องการไปกับเขาหรอกบอกแล้วยังไงว่าเบื่อหน้าพรานใหญ่ไปกับเธอก็ดีแล้วนี่นะแล้วเธอก็จะจองไว้แต่แรกแล้วด้วยถ้าเธอไม่ได้พูดเล่น ฉันก็รับว่าพูดเล่นเองหากว่าเธอจะแยกสายออกไปจากฉันหรือแชดถาแล้วคนที่จะให้ความปลอดภัยแก่เธอได้ดีที่สุดก็คือละพินหล่อนหัวเราะสั่นหน้าไม่จาเป็นต้องพานใหญ่หรอกใครก็ได้ทั้งนั้นและขอให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ต้องการมือปืนคุ้มกันต้องการแต่คนฉายไฟที่ชำนาญเท่านั้นและในกรณีนี้ฉันขอเลือกแง่ายเกิดไปกับพี่ใหญ่ส่วนเธอไปกับละพินตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ถ้างานเธอนอนอยู่บนบ้านไม่ต้องออกไปบ้าเธอมีอำนาจใดมาจะบังคับฉันดารินร้องแหวเชิดถาบกมือตามใจเขาเถอดชายยันเขาจะไปกับแง่ท า, ายก็ได้เป็นอันว่าแกกับละพินและฉันไปกับเกิดก็แล้วกันต่อร้อต่อเถียงกันอยู่ครู่ชายยันก็พยักหน้าอย่างลำคาญและยอมแพ้บนอุบอิบอย่างหัวเสียอวดดีไม่หายตามใจเอางั้นก็ได้มาละพินเราไปด้วยกัน ไม่ยอดหญิงเขาอยากจะเก่งก็ให้เขาเก่งไปที่เขาส่งคุณไม้ผมนี่นะ่ะไม่ใช่ไรหรอกจะรับผมนั่นเองประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่ยักคิ้วให้พรานใหญ่และพินหัวรอกขันขันไม่แสดงความเห็นเช่นไรและไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรนักเขารู้มือของดาลินเวลาลิดดีอยู่แล้วแพรสาวคนสวยผู้นี้ถ้าควบคุมสติได้ดีหล่นยิงปืนได้ดีกว่าเขาหรือทุกคนในคณะเสียอีกและสําหรับเหตุการณ์เท่าที่ผ่านมาแล้ว เขาก็เชื่อว่าลาจันนิกูลสาวมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเชิญหน้ากับเสือได้พอเก่การไว้วางใจแล้วกเกลียงอาสานำทางหคนซึ่งรวมทั้งโตถะแบ่งแยกการติดตามสายทั้งสาสายละสองคนโตถะไปทางด้านเชิดถาลูกชายอีกสองคนแบ่งกันไปทางดารินและชายยันด้านละคนนอกนั้นเป็นพวกพรานมือดีที่ชำนาญคล่องแคล่วต่อลู่ทางก่อนจะลงจากเรือนและพินเดินเข้าไปใกล้ หม่อมราชวงศ์ดาลินจำไว้นะครับถ้ามันหันหน้าตรงในระยะใกล้อย่ายิงสวนหน้าหาจังหวะให้มันเบี่ยงตัวหรือพยายามมีกำบังไว้หล่อนพยักหน้าแล้วก็บอกว่าขอบใจมากที่ให้เกียรติเกียรติเอ๊ะเกียรติอะไรกันครับเกียรติที่ไม่พยายามประท้วงหรือกีดกันชันไว้ในการล่าสือครั้งนี้นะสี่ แล้วก็ไม่คิดว่าฉันเป็นทารกที่จะต้องอยู่ในความดูแลใกล้ๆชิดของคุณตลอดไปฉันอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีคุณเป็นพี่เลี้ยงฉันจะทําอะไรอย่างคนอื่นเข้าบ้างได้ไหมทําไมจะไม่ได้ครับถ้าหากพี่เลี้ยงเคยสอนหรือแนะนําอะไรไว้แล้วคุณหญิงจําขึ้นใจปฏิบัติได้ถูกต้องถึงว่าสินี่จึงจะเป็นการทดลองบินเดี่ยวครั้งแรกทุกคนลงไปชุมนุมกันอยู่ที่ลานบ้าน โต๊ะาตะโกนสั่งพวกลูกบ้านลงเลงให้ทุกคนคอยระวังรักษาวความปลอดภัยในขอบเขตหมู่บ้านพรานใหญ่ก็ก้าวสวบมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแง่ทรายแกช่วยพวกเจ้านายไว้เมื่อตอนน้ําป่าซัดเขาพูดเป็นภาษากะเหลี่ยงกับหนุ่มชาวเขาพเนจรด้วยเสียงต่ําลึกโดยไม่ต้องการให้คณะนายจ้างรู้เรื่องมันเป็นนิมิตที่ดีสําหรับการไว้วางใจอันดับแรกของฉันคืนนี้หน้าที่สําคัญของแกเริ่มมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการคุ้มครองนายหญิงจําไว้แง่ทายนายหญิงจะต้องปลอดภัยทุกสถานการณ์แม้ว่าแก่จะต้องคลานสี่ตี้นกัดกับเสือแง่สายยิงฟันยิ้มไม่ได้เอ่ยคําใดทั้งสิ้นนอกจากจะยกมือขึ้นแตะขมับเชิงรับคําทั้งหมดเดินรวมกลุ่มกันบ่ายหน้าตรงไปยังปลายห้วยท้ายบ้านตําแหน่งที่พรานใหญ่เพิ่งจะยิงเสือไวห้หยุกหยกแม้จะเป็นเวลาหัวค่าเพิ่งสองทุ่มเศษเล็กน้อย น้ำค้างก็ยังั่านตัวเกาะพราวไปทุกใบหญ้าและสุมทุมพุ่มพรกมันดูจะเป็นคืนแห่งความหนาวเย็นที่สุดซึ่งทุกคนพบมานับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งเชษฐาชัยยันและดารินกลัวขอด้วยบรนดีเพื่อช่วยความอบอุ่นตลอดเวลาผ่านป่าโคกที่มีต้นไม้โค่นล้มไว้โปร่งตามาได้เพียงไม่กี่อึดใจก็ถึงซากแม่บวัวที่ถูกเสือลากมาทิ้งไว ทุกคนมองเห็นภาพอย่างถนัดด้วยลำฟิชายหลายท่อนที่ช่วยกันส่องฟุบขาอยู่กับซากไม่วัวตัวนั้นคือฆาตกรร้ายแห่งไพรกว้างตัวหนึ่งลูกปืนเจาะริมฝีปากล่างทะลุเพดานผ่านออกบนหัวใกล้กับหูซ้ายจุดสำคัญอันเฉียบขาดในการยิงร้อยปากของมันนัด น, นั้นคงไม่เปิดโอกาสให้มันกระดิกดิ้นได้แม้แต่นิดเดียวนอกจากจะฟุบเกยซากเหยื่อที่กำลังหมอบแทะอยู่อย่างสงบ ส่วนอีกตัวหนึ่งนอนกลิ้งอยู่ในพุ่มไม้เตี้ยๆลอยกระสุนเข้ากลางอกในระหว่างเท้าหน้าทั้งคู่และเบิดออกกลางสันหลังไม่ต้องมีการอธิบายอะไรกันมากทุกคนเข้าใจได้ดีว่าพรานใหญ่ยิงในขณะที่มันกระโจนสวนเข้ามากระสุนขนาดจุด 4,5,8 สามารถหยุดมันลงได้อย่างประการศิษย์โดยการยิงเข้าที่สาคัญเช่นนั้นทั้งสองตัวเป็นลูกเสือวัยรุ่นตัวผู้ทั้งคู่สังเกตได้จากขนาดที่ยังโตไม่เต็มขีดนัก และสีสันที่ยังเห็นชัดงดงามหมอนี่ยิงเสือยังกะยิงกระรอกตามสวนมะพร้าวชายยันยักไหลหันไปโบนเบาๆกับเชิฐาหัวหน้าคณะเดินทางหันไปตบลหลโต๊ะถะพร้อมกับยิ้มให้ถ้ามันชุมมากกว่านี้มันก็จะต้องถูกยิงตายมากกว่านี้แล้วพรุ่งนี้ตลอดจนคืนต่อๆไปจะไม่มีเสือตัวไหนกล้าเข้ามาเดินลากหางในห้วยแม่เลงอีกไปเราแยกกันตรงนี้แหละ ทั้งสิบสองคนชุดนั้นแบ่งกำลังตามที่วางแผนนัดแนะกันไว้ทันทีดาดินกับแง่ายแยกไปทางทุ่งหญ้าคาด้านตะวันออกของหมู่บ้านอันเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่สลับไปกับป่าโปง่งจนกระทั่งจดตีนขาวอีกรูปหนึ่งเชษฐากับเกิดมุ่งหน้าลงด้านใต้เรียบตามแนวฝั่งลำห้วยซึ่งสลับซับซ้อนไปด้วยมอและมากส่วนชายยานซึ่งมีรพิณเป็นมือปืนไฟฉาย เลือกเอาด้านเหนือโดยไต่ข้ามลําห้วยขึ้นสู่ดหยเขาสูงเหนือที่ตั้งของหมู่บ้านห้วยแม่เรืองขึ้นไปเที่ยงคืนกลับมาพร้อมกันที่บ้านโตะ๊ะทะหัวหน้าคณะเดินทางสั่งก่อนที่ทุกฝ่ายจะเดินแยกทางกันไปทั้งสามฝ่ายมีเกระเลียงติดตามไปด้วยฝ่ายละสองคนรวมเป็นฝ่ายละสี่คนเท่าๆกันดาลีนพระแยกไปก่อนโดยเร็วทันทีที่นัดแนะซ้อมความเข้าใจกันเป็นครั้งสุดท้าย แช่ขาหันมาโบกมือกับชัยยานแล้วผลักไปเป็นผู้ที่สองพอแสงไฟฉายที่ส่องกลาดของทั้งสองฝ่ายห่างหายไปในเงามืดพรานใหญ่ก็ชวนชายยานข้ามลาห้วยไต่ขึ้นไปบนเนินเขาโดยมีกะเหรี่ยงในหมู่บ้านสองคนซึ่งสมัครมากับเขาตามหลังไปด้วยในความเงียบและเย็นยะเยือกของน้ําค้างไฟฉายกาดไปรอบด้านจากมือสองไฟที่ชํานาญอันเป็นรับเพี้ยนเกิดและแง่ทรา ย, ายซึ่งแยกการทําหน้าที่ให้คณะ น, า, นายจ้างคนละด้าน ส่วนหน้าที่นําทางเป็นของกะเลียงที่มาด้วยเพราะพวกนั้นย่อมจะรู้และเข้าใจแหล่งได้ดีเพียง15นาทีแรกนับจากแยกกับคณะเดินบุกไปในระหว่างหญ้าคาและตอไม้ที่พวกกะเลียงค้นไว้ไฟที่สา จ, จากสูงลงตามในมือของแง่ทรายก็สะกดจับดวงตาวาวเรืองเหลือบเขียวเหลือบแดงคู่หนึ่งไว้ได้มันสู้สะท้อนแสงไฟออกมาจากป่าหญ้าตอนหนึ่งห่างออกไปประมาณห้สบหลาและโดยไม่ต้องเตือนอะไรกันอีกเลย ดาลินตวัดจด470ขึ้นประทับบ่าในขณะที่กะเลียงอีกสองคนก็ช่วยกันฉายไฟขนาดสองทอนไปช่วยจับไว้กันพลาดเสี้ยวของวินาทีหล่อนลั่นไกลทางลําก้องซ้ายเสียงกระสุนแผดกึกกล้องกลางราตรีอันเงียบสงัดสะท้อนทุ่งทับทิมสีเหลืองเลืองคู่นั้นหายวับไปจากการสู้แสงไฟป่าหญ้าแตกกระจายเป็นแปลงแล้วเงาสีน้ําตาลเข้มสลับปลิ้วดําก็พุ่งเป็นทางไปในระหว่างพุ่มไม้รกตัดผ่านแสงไฟ มันผลไปได้เพียงช่วงตัวเท่านั้นลำกล้องขวาของลิกบี้จากมือราชนิกูลสาวสวยก็กำปนาดขึ้นอีกครั้งช่วงตัวยาวๆนั้นตีรังกาสองทอดหล่นรูปหายไปในพงหญ้าเห็นแต่ยอดสรรันปลิวไหวไปมาอึดใจเดียวก็สงบนิ่งดาดินหักลำกล้องบรรจุกระสุนชุดใหม่โดยเร็วและประทับเตรียมพร้อมก้าวตามหลังแง่า ย, ายเข้าไปกเกลี่ยงนำทางสองคนที่ตามติดเข้ามาด้วยอุทานพำอยู่ในลําคอด้วยความพิศวงงงงันเหลือที่จะกล่าว หันมาจ้องหน้าหลอนเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาเจ้าโครงขนาดเรื่องตัวนั้นตัวหงิกงออยู่ในกอหญ้านัดแรกตัดสะบักซ้ายของมันหักสะบ้านออกแต่นัดหลังเฉียบขาดกว่าตัดกระดูกคอต่อพอดีเลือดพลักออกมาเป็นริ่มๆสองคนนี่นินทาฉันว่ายังไงหลอนถามแง่รายอดีตนายทหารกองโจรกรเียงผู้มาสมัครเป็นคนรับใช้ยิงฟันขาวตามเคย เขาบอกว่าเขาแทบไม่เชื่อตาว่านายหญิงจะมีฝีมือถึงขนาดนี้บอกเขาดาลินพูดเรียบๆพร้อมกับยิ้มนิดหนึ่งในตาวาวนายหญิงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเลวที่สุดในคณะของพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันซึ่งรับอาสายิงเสือให้เขาในคืนนี้แง่าสายแปลคำพูดของหลอนกะเหลียงหนุ่มสองคนซึ่งคนหนึ่งเป็นลูกชายวัยคองของโต๊ะทาสีหน้าพิกล แล้วหัวล้อแห้งๆมองดูหญิงสาวด้วยเปลกายตายเลื่อมใสายยำเกรงผิดไปกว่าเดิมทางด้านชายยานพากัรชักกึกอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นสองนัดซ้อนทางด้านทุ่งหญ้าเอ๊ะเสียงทางด้านน้อยนี่เอาเข้าวให้แล้วหรือชายยานร้องออกมาเบาๆเต็มไปด้วยความกังวลครับทางด้านตะวันออกคงเป็นคุณหญิงแน่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เสียงยิงตั้งสองนัด ผมทายว่าโชคชัยเป็นของคุณหญิงครับผ่านใหญ่กล่าวอย่างมั่นใจคุณไว้วางใจมือน้อยถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือเท่าที่ผมสังเกตมาสัตว์ที่หมายล่ามักจะเข้าทางปืนของคุณหญิงเสมอและท่าลั่นไกลแล้วก็ยากนักที่จะพลาดไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเสียงตูมก็กึกก้องขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากทางด้านใต้อันเป็นทิศทางของเชืฐาต่อมาก็เป็นเสียงระเบิดของปืนแก๊ปซ้อนขึ้น แล้วไร่เฟินก็ดังซ้ำเป็นนัดที่สามจากนั้นก็นเงียบกลิบคราวนี้คุณชายครับมีโต๊ะถะร่วมอยู่ด้วยนัดแรกคงไม่อยู่แต่นัดที่สามคงไม่มีปัญหาระพินบอกปนหัวเราบเบาๆว่าแต่ทางด้านเรานี่เถอะมันปลอดภัยเอาสีจริงๆชา ย, ยันบนใจเย็นๆไว้ครับคงไม่ผิดหวังแน่อ๋อยา